นี่อีกเรื่องหนึง่งทีนี้ต่อไปมักน้อยเรื่องปริยัตมักน้อยปริยัติเนี่ยบางคนเนี่ยคำว่ามักน้อยก็เรียกว่าอย่าไปเรียนเลยปริยัติเพราะตัวเองมักน้อยในปริยัติเรียนแต่น้อยก็พอไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นคําว่ามักน้อยในปริยัตเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ที่มีร่ํามีความรู้ในคําสอนเนี่ยมากเป็นปหูสูตรมากแต่ไม่ประสงค์จะให้ผู้อื่นรู้ว่าตนเป็นผู้เป็นปหูสูตรแตกฉ้นในคําสอนอันนี้แหละเรียกว่ามักน้อยใน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 บ่ายบ่ายก็ติดสอนอ น, นะครแล้วเช้าก็ติดสอนสายก็ติดสอนเที่ยงก็ติดสอนบ่ายก็ติดสอนเย็นก็ติดสอนค่ำก็ติดสอนติดสอนหมดเลยที่จริงอ่ะลูกศิษย์เนี่ยก็เป็นลูกศิษย์แต่่าตัวเองลูกศิษย์เยอะมากจนจาลูกศิษย์ตัวเองไม่ได้เนี่ยนะลูกศิษย์ก็เลยบอกโอ้โหอาจารย์ยีี่ชั่วโมงไม่มีเวลาเลยไงอันนี้ของศาสรอาจารย์ไม่มีเวลาตายหรอก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 วิหารอยู่ใกล้ทะเลไปอยู่วัดชายฝั่งทะเลที่มีทรายเนี่ยขาวเห ม, มือนดอกกัญญการเนี่ยนะเหมือนดอกกัญญากัญญาเหลืองกัิกาสีเหลืองหรือสีทองกณิกาขาวหรือขาอทองก็เป็นเครียกว่าทรายว่างั้นเถอะเห็นทรายแล้วกันที่นี้ท่านเนี่ยเป็นผู้ว่าเป็นผู้อุปการะแก่พระพิสุชั้นเีรหนวะกะมชิมะตลอดพรรษา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 ทีนี้ถ้าผู้เองจําอวดละเรื่องนี้ตัวก็รู้เรื่องนั้นตัวก็รู้ๆไปทุกเรื่องเนี่ยนะมันยุ่งเหมือนกันนะพ่อมาเคยเคยเคเคนึกถึงพรารูปหนึ่งเหมือนกันเพื่อะไรนิดหนึง่งท่านรู้หมดละเพื่ออะไรนิดหนึง่งท่านก็รู้หมดละแต่กุศลไม่เจริญเลยเนี่ยนะเครียดมากเลยนะเราก็รู้แล้วเนี่ยนะโอ้เราก็น่าสงสารก็ไม่รู้จะทํำยังไงจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านก็คือท่านรู้ไม่จบสักเรื่องนะแต่รู้อย่างละนิดอยู่รังละหน่อยแต่พูดเยอะมากเนี่ยนะก็ถามว่าทํำยังไงก็โอ้แล้วแต่บุญแล้วแต่ นิมนตตามอัธยาศัยเถอะครับแผ่นดินไทยนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลนักเลเนี่ยนะพื้นที่เป็นร้อยตารางกิโลเหมือนกันเถอะ น, นิมนต์เถอะครับตามสบายเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งมันมันก็ยากเหมือนกันนะค น, คนที่มกักมากในปริยัติก็คือโฆษณาว่าตัวเองอันนั่นก็เรียนมาอันนี้ก็จบรู้ไปทุกเรื่องเลยนะแต่ไม่รู้ว่าจิตตัวเองกาลังเป็นอักุศลด้วยอํานาจความลำพองเย่อหยิ่งและก็พยองเป็นต้นมันคือท่านต้องการตัดตรงนั้นออกไปไม่อย่างนั้นเนี่ย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 การที่พระองค์สอนอย่างนี้ประกาศว่าพระองค์รักษาเรารักษาเราให้ไม่เดือดร้อนในขณะนั้นนั้นและต่ อ, ต, อต่อไปในอนาคตเนี่ยนะพูดถึงว่าผู <c oughs> ้ที่มักมากในปริยัตเนี่ยเขามาไปเห็นมีรายการหนึ่งไม่ใช่รายการอนะนะคือมีรีวิวเรื่องหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเนะี่ยท่านก็เรียนเรียนอ่นานพระไตรปิฎกมาพอสมควรแหละท่านก็ไปพูดให้อีกคนหนึ่งฟังซึ่งเป็นคนที่ไม่มี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 ใครนี่มนท่านเทศท่านเนี่ยเทศนอกธรร ม, มาท่านรู้ตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะโอ้ยก็มาฟังแล้วเนี่ยอยากเศร้าเลยนะบอกว่าพตั้งกันนะแท บ, บจะเขล็ดได้เลยนะยตามสบายกันแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอายการที่เราพูดมากๆเราก็มาคิดให้ดีๆว่ามีประโยชน์จริงหรือเชื่อไห้สองคนนั้นแทบจะเป็นคู่เวรตั้งกับปัจจุบันตั้งกับวันนั้นถึงวันนี้ก็มองหน้ากันไม่ค่อยติดคุยกันไม่รู้เรื่องสรุปแล้วนะจากวันนั้นถึงวันนี้เขาไม่ค่อยคุยกันเลย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 ส่วนอันหนึ่งอันอันสุดท้ายก็เรียกว่ามรค้อยในอธิคมมรค้อยในมรคผลมรค้อยในมรคผลเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าแหมขอเป็นเอ้ยเอาบรรลุโรคเนี่ยนะหรือมาขอเป็นพระโสดาบันพอแล้วเนี่ยนะลักษณะนี้เรียกว่ามรค้อยใช่ไหมไม่ใช่ลักษณะของมรค้อยในอธิคมมีความหมายว่า เป็นพระอาาริยบุคคลรูปใดรูปหนึ่งแล้วเช่นเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกะทาคามีหรือเป็นอนาคามีหรือเป็นพระอุหันแล้วเนี่ยมักน้อยไม่ปรารถนาที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเรานี้เป็นพระอาาริยเจ้านี้เรียกว่ามักน้อยในอธิคมเขมีพระสมรูปที่เรากกุลบุตรสามท่านเนี่ยนะกุลบุตรสามท่านคือพระอนุรุท ธ, ธานันทยกิมิละเนี่ยสามองค์ที่เดี๋ยวสู่ต่อไปข้างหน้าจะมี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 ต้องนั่งเฝ้าหน้าร้านเนี่ยนะพราะอะไรพราะทุกคนรู้ว่าช่างหม้อคนนี้ดีมากเลยนะเขาเขาจะเป็นเรียกว่าเขาจะรู้ว่าราคาหม้อใบเนี้ควรจะต้องใช้ข้าเปลือกเท่าไหร่ใช้ถั่วใช้งาเป็นต้นเนี่ยเท่าไหร่เขาก็เอามามาแบ่งไว้เสร็จแล้วเขากลัวมากเลยกลัวจะขาดเนี่ยนะกลัวจะไม่คุ้มกับราคาของหม้อเนี่ยนะเพราะเขากลัวบาปมากเพราะเป็นเป็นเป็นช่างหม้อที่มีคุณธรรมมากนะเขก็เป็นช่างหม้อเป็นพระอนาคามีแล้วท่านท่าน เป็นพระอนาคามีและไม่เขาบอกว่าไม่รับเงินเนี่ยนะถ้าเป็นพระอนาคามีไปแล้วเนี่ยจะไม่ใช้เงินเองละอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามถ้าเป็นพระอนาคามีไปแล้วเนี่ยดูตามนั้นแล้วไม่ใช้เงินเนี่ยนะอย่างพระอนาคามีบางท่านเนี่ยก็ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้พระยาดูแลหมดเลยใส่ละบอกขออาหารวันละมื้อก็อแล้วกันนะแค่นี้ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเนี้ยเท่านั้นเองนี่ยนะ โอ้ยเงาแย่ทีงั้นนะนะบอกไม่เงาวหรอกท่านอยู่ด้วยฌานเนี่ยนะไม่ต้องกลัวหรอกเรียกว่ายิ่งกว่าสมบัติในโลกพร้อมทั้งเทวโลกทั้งหมดด้วยซ้ําไปนะคือมรรคผลที่ท่านได้เนี่ยมันเป็นความดีเป็นความสงบมันยิ่งกว่าอะไรนะกว่าก็ยิ่งกว่าสมบัติในโลกพร้อมทั้งเทวโลกถามว่าในโลกนี้ระหว่างภูตรูปกับปุสโส ล, ลจิตอันไหนมีค่ากัน น, นะถ้าเทียบนะระหว่างดินน้ำไฟลมกับปุศลเนี่ยอันไหนมีค่ากัน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 เป็นล้านๆก็เทียบกับโสดาปฏิมักไม่ได้โสดาปฏิมัคนี่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆสกทาเออสกโสดาบันเนี่ยนะโสดาปฏิมักเป็นล้านก็ไม่ได้มีคุณเท่ากับสกทาคามีสกทาคามีเป็นร้อยเป็นล้านก็ไม่ได้เท่ากับพระอนาคามีเพราะฉะนั้นท่านมีดียิ่งกว่าเครียกว่าจนกว่าจะมานั่งคิดเรื่องที่อะไรเรื่องที่ไม่ควรคิดอยู่แล้วเนี่ยนะเรื่องที่เรียกว่าไม่ต้องไปใช้ความคิดอะไรเปลียงเนี่ยนะเข้าสมาบัติมีความสุขกว่าเยอะเนี่ยนะ